53. ตนเองเท่านั้นคมจัดอนุสัยของตนได้หมดสิ้นแท้ส่วนคำว่าอาศัยนี้คนไทยจะเขียนเป็นอาศัยหมายถึงที่อาศัยหรือภาวะรูปกับนามหรือกายกับใจที่ตนเองอาศัยเป็นชีวิตอันมีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยทั้งมวล ซึ่งแสนวิเศษก็เหลือหลายสุดสาหัสวิถีฐานก็หลากลน้นประดามีอยู่ในโลกในสังคมมนุษยชาติหรือพลังงานที่เป็นกินิยามนี้แหละตัวสำคัญที่เราจะได้อาศัยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้อาศัยดยีหรือชั่วได้อาศัยเป็นคุณหรือเป็นโทษ ได้อาศัยเป็นโลกิยะหรือเป็นโลกุตละหรือได้เป็นแค่กุศลขั้นการยานธรรมหรือเป็นได้ถึงกุศลขั้นอริยธรรมก็จิตนิยามนี้เองที่ตนเองจะต้องจัดการเองของตนเองในตนเองด้วยตนเองผู้สัมมาทิฏฐิที่เริ่มรู้จากรู้แจ้งรู้จริง โพธิปักขียธรรม37และสามารถแยกแยะกายกในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมได้สามมาทิถีแท้จึงจะสามารถสร้างพลังงานอันเป็นนามธรรมให้ตนเองใช้อาศัยได้จริง และหากเจริญพัฒนาขึ้นเป็นอาริยธรรมขั้นโลกุตระธรรมแล้วสั่งสมลงไปในตนเองก็ก้าวหน้าขึ้นเป็นนิสัยไปตามลำดับยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนิสัยหมายถึงจิตตนเองที่ได้สั่งสมพลังงานดีหรือชั่วเป็นโลกิยะแค่นั้น ย, ยิ่งขึ้น ก็เป็นการเจริญได้เพียงกนรยานธรรมหรือจะก้าวข้ามโล ก, กียะขึ้นเป็นโลกุตราได้คุณธรรมต้องถึงขั้นเป็นอาริยธรรมแล้วสะสมเข้าไปในตนเองจนมันตกผลึกไปตามลำดับน้อยแล้วก็มากขึ้นมากขึ้น กระทั่งมีอำนาจในตนไปตามเท่าที่มันมีมันได้แล้วโลกุตระก็สั่งสมคุณวิเศษเข้าไปทั้งมากทั้งแน่นทั้งแกร่งกล้าทั้งมีประสิทธิภาพยิ่งยิ่งขึ้นก็เข้าข้านเป็นวิสัยวิสัยหมายความว่านิสัยที่สั่งสมลงเป็นความมากความแน่น ความแกร่งกล้าความมีประสิทธิภาพยิ่งยิ่งขึ้นจนเป็นความยั่งยืนเที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีอะไรหักล้างได้ไม่กลับกำเริบอีกแล้วตลอดการนิรันดรแล้วฝังลงเป็นอนุสัยอนุสัยจึงเป็นของตนเองทำเองสั่งสมเอง และต้องล้างเองกรรมจัดเองปรุงแต่งเองจะเริอนเองเสื่อมเองทั้งสิ้นไม่มีใครจัดการกับอนุสัยของตนเองได้เลยเป็นอันขาด